บางคนมีดมศาสนาวัตถุก่อนนั้นสร้างนี้ไม่มีรันเวลาเดือดเยินพรมตัวสางที่ไดก็ถีบไถ่โดยไปเขาก่สร้างบสิหารเสียดีต่างๆนั่นนะจนผู้คนเบื่หน่าย อยู่พอพักพออาศัยก็ไปพักในอาศัยต่างใจจะสร้างวัตถุศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาธรรม <c oughs> มันมีหลายขัน้นเสือกของมันเลยศาสนาวัตถุเลือกของศาสนา <c oughs> นตัวตัวศาสนาจริงจังวัตถุที่ก่อสร้างเอาไว้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จล้คนเห็นว่าปุาตาทวของตนเือดใสทางศาสนาสร้างวัดวาอารามไว้คนอื่นมาเห็นเข้าก็ว่ามีวัดวาศาสนาสวยงามาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ดูว่าผู้อยู่ผู้อาศัยนี่ทำนี้นัยตั้งใจว่าคือปฏิบัติหรือไม่ แต่สาเหตวัตถุอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ทางพลายเพราะการก่อสร้างทางนอกมันสร้างได้ไม่ว่าพระไม่ว่าถ้ะเราว่ามันจะเริ่มขนาดไปขนาดไหนก็เป็นเรื่องก่อสร้างด้านจิตใจนะเป็นอย่างไรนั้นนี่คหนึ่งคำนวณหา ศาสนาบุคคลคือบุคคลนับถืศาสนาตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนเอาวไว้เนศาสนาบุคคลมีคนหลอมใสศรัทธามีนักบวชมากหน้าไร้ตาเดียวกันนี่คือศาสนาบุคคลมีเหลื่อมใสอยู่ในศาสนา ศาสาธรรมหมายถึงใจของบุคคลที่มาเรื่มใสศรัทธาตางหาตัณ迦ร์ลายกิเลสจนจิตใจหายจากความกังวลอุ่นวายเหลือดร้อนหมดโลภ ก, กดหลงในจิตในใจนี่คือศาสนาธรรมเป็นแก่นของศาสนา ถ้ามันมีศาสนาธรรมในจิตในใจถึงบุคคลจะมีจำนวนมากปริมาณมากขนาดไหนแต่จิตใจของคนเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยโลภโกรหลงปรพเภทปฏิบัติอัธรรมพอเสียเมด็ดดในต่างหนา้าต่างตาทำลายกิเลสตัณหาเพงจะอยู่ในศาสนาก็ อ, อาศัยกินนี่คือ เพียงแต่ศาสนาบุคคลที่มาเหลื่อมใสในศาสนาต่ไม่ตั้งนาต่างตาลากิเลสคุณข่ามันก็เบาลงไปอ่อนลงไปค่อยจะมีคนเหลื่อมใสไม่มีคนเกื่อถือเพราะการทำการผูดของเขาที่แตกแต่ต่างไปจาก หลักของธรรมของวินัยต <c oughs> ังนั้นเดืองศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงวางหาักฐ า, านเอาไว้มอบให้ยิสุสามาเนนอุบาสกอุบาสิกาเสนผูดูแลรักษาศาสนาจะเสื่อมหรือศาสนาจะเ จ, เจเริญก็อาศัยบริษัททั้ง 4, สี่เสนผูดูแลรักษา บริษัททั้งสี่ไม่ดูแลรักษาศาสนามันก็เสื่อมไปบริษัททั้งสี่ดูแลรักษาต่างหน้าต่างตาก็คือติปฏิบัติตามอัธธรรมที่สอนไว้ที่สุสามะเนนมีขีนขนาดไหนมีภาินัยอย่างไรกัต่างหน้าต่างตารักษาภาินัยของตนไม่ด่างช้อยขาดผินเสียหาย พารวะมีศีลอย่างไรต่างใจรักษาตามเทศของคารวะศา ส, สานาขอเจริญไปได้มันคงไปได้ถ้าต่างฝ่ายต่างโยนทิ้งไว้ศาสานาเป็นหน้าที่ของนักบวชเราเไม่ดีเกี่ยวข้องไมเป็นผู้รักษาตั้งแต่นักบวชท่านจะดูแลรักษากัน นักบวชก็โยนให้พรวละวาดพระละวาดก็โยนให้นักบวชต่างคนต่างแม่อดทานในต่างหนาต่างตาทำงานรักษาศาสนาศานะสน า, าก่อพังทลายลงไปคามจริงของทั้งสองฝ่ายดูแลรักษากันพระไม่เข้าท่าพระไม่มีอัจฉริธรรมพระย่ำยีเบียดเบียนาศาสนา เราถีเป็นฝ่ายบำรุงรักษาทายกทา ย, ยิกา็กห้ระวังระวังอย่าไปบำรุงบำเรอให้เขาลืมเมื่อลืมตัวไปเพราะการหม่ยควพูดตามอาจตามธรรมนั้นถ้าเราเกยเหลือเกืดอนูนคนเหล่านั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นหยียบหยําทําลายผู้ที่ทำตังหน้าต่างตารักษาทำมีใน ให้เดือดร้อนวุ่นวายท่านเจ้มไมให้ธนุสน้อมในสนับสนุนคนชั่วถึงเรียก ว, ว่าอารชีผู่มียางอายอยากเก็ประพิษไปทางกายทางวาจายอย่างไรก็บริพิษไปตามใจตัวชอบในคำหนึ่งถ้าทำดีในที่ท่านหักห้ามเอาไว้เสื่บริสัทธ์เส็นท่าน มี่ายเลืองห่มอยู่คลองอยู่ก็ถือว่าถ้าเป็นพระพิสุสา ม, มาเณรก็บำรุงรักษาไปแต่ทำลีนัยทันรักษาคงเก่นคงว่าหรือไม่ไม่ได้ตรวจตาพิจรารณาลวมตัวไม่ได้พิจรารณารักษาอย่างนี้คนดีมันก็มีจำนวนน้อยทุกวันจะลอยหลอลงไปคนชั่วมี เป็นมวลหมากเทาไรก็อทำให้าศาสนาเสื่อมไปเท่านั้นเหมือนกันกับโรคไข้มีหมากเทาไรก็ททำให้ความสุขความสบายน้อยลงไปหรือถึงล้มถึงตายไปได้ดังนั้นแผลของเขาถึงร่างกายของเราจะมีคุณค่าสาราอยู่ทุกสิ่นทุกส่วนเป็นสี่องแหน ทุกอย่างใส่ก่อนต่างาโรคร้ายมันเยียดเบียนตอนไหนที่ใดจะรักษาโดยหยุดยาไม่หายเราก็ตัดทิ้งปล่อยเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะถูกเสียหายไปถึงเราจะสง ว, วนรักษาไม่อยากจะให้เขาตัดแต่ก็ถ้าปล่อยเอาไว้ส่วนใหญ่มันจะพังทลาย เขาจึตัดออกไปไมว่าไส้บะตับบะแขนบาขากาจรจึโรคร้ายที่รักษาไม่หายก็ต้องตัดต้งข่าวไปเพื่อรักษาส่วนใหญ่ในหลองพระที่สุสา ม, มาเณนผู้รักษาศาสนาก็ทํานองเดียวกันเดี๋ยวนี้เรื่องของพระของเนรมันมีมากจํานวนเป็นแสนแสนในประเทศไทย แต่ก็มีปริมาณตัวพระตัวเนนจริงจังนั้นจะหาเป็นยากว่าทั้งยากพอจิตใจทิ่เป็นพระเป็นเนนจริงจังมันหายยากพระก็หมายถึงปูกเป็ิสเสดสามาเนีนสมณะก็หมายถึงปู้สงบตายสงบวายกาสงบกิเลสปัญหา ถ้าสงบได้มันก็สุขก็สบายถ้าประเสริฐได้มันกว็วิเศษนี่มันเรื่ตรวจตาีิจารณาดูแลรักษาอย่างจิตใจของตัวโดวยส่วนใหญ่ <c oughs>